ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่11คําคำถามแรกและคำถามที่สองตอบไว้เมื่อเกรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมดปราโมชโชในปัจจุบันตัวถ้าวันวันรอแต่รู้สึกว่าทุกอย่างดีน่าทึ่งน่าสนใจมีความสุขไปหมดละคะ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 Just pierce my a r t go to the far, f n o w